พระ บ, บัญญัติ855ก็ภิกษุณีใดเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาก่อนชันพัทตาหารนั่งบนอาสนะแล้วจากไปโดยไม่บอกเจ้าของบ้านต้องอบัตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งจบ